มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะแกก็คุ้นเคยกับครูคนหนึ่งก็เรียกว่าไปทเที่ยวที่บ้านครูคนนั้นเนี่ยอยู่ บ, บ่อยๆแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยทุกเดือนเนี่ยครูก็จะให้เงิน <c oughs> เดือนละ 1,000 บาทนะแก่แม่เด็กคนนี้ก็เด็กคนนี้ก็แปลกใจเพราะว่า แม่เนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกับครูนะครูก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็ครูเองก็เงินเดือนน้อยแกก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจจกนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไปที่บ้านครูก็เห็นครูกาลังคิดบัญชีอยู่ก็เลยถามครูว่ากาลังทาอะไรครูก็บอกว่าตั้งใจจะต่อเติมบ้าน มันก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนี่หลายหมื่นบาทก็กาลังคิดว่าเนี่ยจะตัดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างเดยวก็เลยแนะนำว่าก็เดือนละพันบาทที่ให้แม่ไงครูนายจะตัดได้ครูบอกตัดไม่ได้หรอกนะมันสำคัญมากเดยวก็ถามว่ามันสำคัญยังไงเพราะว่าแม่เนี่ย ก็อยู่บ้านเดียวกับครูครูก็ทำอาหารสามมื้อนะให้แม่กินซื้อเสื้อผ้าปีหนึ่งก็หลายชุดให้แม่เวลาแม่ป่วยนะครูก็พาแม่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลออกให้หมดแม่จะไปไหนครูก็ขับรถพาแม่ไปแม่ไม่เห็นมีรายจ่ายอะไรเลย ครูบอกว่าเนี่ยไม่ได้หรอกนะเดือนละพันบาทเนี่ยสำหรับแม่นี่มันสาคัญนะมันเป็นเงินที่บารุงหัวใจแม่เลยทีเดียวเด็กก็แปลกใจนะเพราะว่าปัจจัยสี่ที่แม่ต้องการนะครูก็จัดหายหมดแล้วไอ้พันบาท น, นี่มันจะสำคัญอย่างไรนะกับ แม่ครูก็บอกว่าเนี่ยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้องสะพ้ายของครูเนี่ยคลอดแม่ก็ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลไม่ได้เยี่ยมเปล่าๆนะเอาทองเนี่ยให้หลานด้วยเป็นสร้อยทอง ไอ้สร้อยทองนี่ก็ได้มาจากเงินพันบาทที่ครูให้เนี่แหละแม่เก็บสะสมไว้แล้วก็ซื้อสร้อยทองเพื่อรับขวัญหลานทาไมไม่มีเงินเลยเนี่ยนะแม่ก็คงจะรู้สึกไม่ได้มีอะไรที่จะให้ของขวัญให้เป็นของขวัญกับหลานเลยแต่พอแม่ได้ให้แล้วแม่ก็มีความสุข แล้วก็เชื่ออะไรนะั่ต่อไปเนี่ยพอหลานโตขึ้นมีคนถามมีเพื่อนถามว่าในสร้อยขอยงเธอเนี่ยใครซื้อให้หลานก็จะตอบว่าเนี่ยก็ยายซื้อให้ไง ย, ยายเองถ้าได้ญิงก็คงจะมีความสุขมากแล้วก็เมือ่อที่ที่แล้วเนี่ยแม่ครัวก็นะมาช่วยนวดยายนวดอย่างดีเลยมาช่วยนวดแม่นวดอย่างดีเลย เพราะว่ามีฝีมือทางนี้แล้ก็ตั้งใจนวด น, นะอยากจะตอบแทนบุญคุณนะของแม่ของครูพอนวดเสร็จแม่ก็มอบเงินหนึ่งร้อยบาทให้กับแม่ครัวโอายแม่ครัวดีใจมากแม่เองก็ดีใจนะที่ได้มีเงินนะตอบแทนแม่ครัวบ้างแล้วครูก็หลอกต่อไปนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย มีมัชนายกนะของวัดมาปรึกษากับครูว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยกำลังจะมีการปรับปรุงห้องน้ําวัดก็ไม่ค่อยมีเงินก็อยากได้นะเงินจากชาวบ้านนี่แหละรวบรวมกันนะปรับปรุงห้องน้ําก็เลยมาขอความร่วมมือจากครู แม่ที่ได้ยินนะก็เรียกนักขณายกมาเลยบอกว่าเนี่ยเรามอบเงินให้ห้าพันบาทเพื่อไปปรับปรุงห้องน้าําวัดห้าพันบาทที่มาอย่างไหนก็มาจากเงินเดรัพันที่ครูมอบให้นี่แหละแม่ให้แม่ก็มีความสุขนะที่ได้มีส่วนทําบุญแล้วก็ได้มีส่วนนะได้ทําประโยชน์ให้กับวัดให้กับ ศาสนาบ้างนะครูก็เล่าต่อไปสองเดือนก่อนเนี่ยแม่ของเพื่อนคนหนึ่งไม่สบายนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องหยูกยาเยอะนะพอแม่รู้แม่ก็นะช่วยแบ่งปันนะช่วยค่ายาไปให้เพื่อนห้าร้อยบาทไอห้าร้อยบาทนี่ก็มาจากเงิน เดือนละพันบาทที่ครูมอบให้นี่แหละแม่ให้แม่ก็มีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านบ้างทั้งหมดนี้เนี่ยมันคงจะเปลี่ยนไปมากถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีเงินให้ให้ใครเลยนะไม่มีเงินซื้อซ่อยให้ล้านไม่มีเงินนะช่วย ปรปรุงห้องน้ําวัดหรือว่าช่วยค่าอยู่ค่าอยากงเมื่อนบ้านแต่การที่แม่เนี่ยได้มีส่วนช่วยคนเหล่านี้เนี่ยหรือกิจกรรมเหล่านี้เพราะว่าแม่มีเงินและเป็นเงินที่เก็บสะสมจากลูกนะเดืระพันอันนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นเงินนะที่บํารุงหัวใจแม่อันนี้ก็ เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะคนท่าคนแก่บางทีก็อาจจะไม่ได้ต้องการเงินเพื่อมาหาซื้อปัจจัยสีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพราะว่ามีอยู่แล้วหรือลูกหลานก็จัดหาให้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้แม่ยุยืนเนี่ยคือความสุขที่ได้ทำดี ได้ทำความดีไอความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันทำให้คนท่าคนแกรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายไม่ได้เป็นภาระกับใครและมันทำให้เกิดความภาคภูมิใจด้วยแต่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีเงินนะงนะันเงินเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่บารุงกายด้วยปัจจัยสี่นะแต่ว่ามันสามารถจะ บำรุงใจได้ถ้าหากว่าใช้เงินนั้นเนี่ยไปในทางที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งการทาบุญด้วยแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่คนแก่ต้องการนะหรือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ อ, ตอจิตใจของคนเท่าคนแก่ที่จริงมก็จำเป็นสบคนทุกคนแหละแต่ว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยนะร่างกายก็เสื่อมโทมนะบางทีอยู่บ้านทั้งวัน ถ้าไม่มีอะไรบารุงใจก็งอยเหงารู้สึกว่าว่างเปล่าหรือบางทีก็คิดถึงว่าช่วยไม่มีคุณค่าแต่การที่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะมันทำให้คนเท่านเก่รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาก็ทำให้มีความสุขนะแล้วก็สามารถที่จะนะมีสุขภาพจิตที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ บางทีคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้ตันหนักหรือลูกเองก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่เพราะคิดว่าเนี่ยเรื่องของปัจจัยสีเนี่ยลูกก็จัดหามาให้หมดแล้วแม่ จ, จะเอาอะไรอีกนะสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนเท่าคนแก่คือเรื่องของจิตใจนี่แหละเงินมันไม่ได้มีความหมายแต่ในทางวัตถุนะ้ะมันมีความหมายทางจิตใจด้วย บางทีลูกอยู่ไกลนะไม่อาจที่จะดูแลแม่ได้นะการส่งเงินไปให้เนี่ยสำหรับแม่มันมีความหมายทางจิตใจนะว่าลูกยังห่วง ล, ลูกยังห่วงแม่นะยังรักแม่อยู่ถึงแม้ว่าเงินที่ลูกให้เนี่ยแม่ จ, จะไม่ต้องการในแง่ของการไปจับใจ่ายใช้สอยพ่อแม่ก็มีอยู่แล้วหรือพ่อด้วยก็ได้ แต่มีความหมายจิตใจแต่ถ้าใจดีนะนอกจากการให้เงินแม่ในการทำความดีทำบุญทากุศลทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วการให้เวลาเนี่ยกับแม่หรือกับพ่อหรือกับคนเท่าคนแก่เนี่ยสำคัญบังทีอจะสำคัญยิ่งกว่าเงินอีกนะเพราะว่าให้เงินแต่ว่าไม่มีเวลามันก็อาจจะทดเชยทดแทนกันไม่ได้ ไม่มีเงินแต่มีเวลาให้ดูแลนะท่านให้เวลาท่านเนี่ยพูดคุยกับท่านฟังท่านบางทีท่านก็พูดนะซ้ําไปซ้ํามาก็ฟังโดยไม่บน่นไม่ตัดรอนอันนี้ก็ช่วยท่านได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยท่านก็สวนมีเพื่อนแล้วก็รูสว่ช่วยยังมีคุณค่าก็ระยังมีคนห่วงใยแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องคิดนะว่าเออถ้าเรายัางมีแม่นะเพื่อที่ จะได้มาเยี่ยมท่านหรือให้อะไรกับท่านบ้างถือว่าโชคดีนะเพราะบางคนไม่มีแม่แล้วจะทำอะ ต, ะตอบแทนยังไงก็คงไม่ดีเท่ากับตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นอกจากแม่แล้วก็พ่อด้วยนะหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเนี่ยเนคนที่มีแม่หรือคนที่มีพ่อแล้วเนี่ยให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีนะยังมีโอกาสที่จะได้ดูแลท่านนะบารุงหัวใจของท่าน ไม่ใช่แค่แต่ร่างกายอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นบุญนะที่จะเกิดกับผู้เป็นลูกด้วย